ถ้าเราสูบเติมลมเข้าไปถ้าลมมันเข้านะยางมันจะตึงขึ้นเนื่เลยๆเลยๆแล้วมันจะวิ่งจะลอยไปเลยนั่นชีวิตเราตอนนี้กำลังฝา่าวิกฤตแห่งความง่วงความเงาความเบื่อความไหนความร้อนความหนาวจิตเราคือผู้เดินทาง อาการที่เกิดขึ้นก็คือตัวเวทนาทั้งหลายเนี่ยเราดูวด่ามันจะวิ่งผ่านได้ไหมแล้วตื่นนอนมาแล้วเนี่ยไม่จิตมันติดความง่วงเงาสลึมสลือเนี่ยผ่านมันได้ไหมถ้าความรู้สึกตัวดีๆเครื่องยนต์มันก็จะกำลังแรงเยอะมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิมีปัญญา ศรัทธาคือตั้งใจทาทำด้วยความจริงจังจริงใจวิริยะก็คือขยันทำพนสู้ปึกฝืนสติก็คือการกำหนดรู้เนี่ยการรู้สติคือการรู้อารมณ์นะที่แรกก็คือรู้ตัวตัวกายต่อไปก็รู้จิตรู้จิตคือขันธ์ท่านี่ ที่ตัวจิตเนี่ยมันยังไม่ค่อยรู้นะแต่ให้มันรู้กายก่อนแล้วลึกรู้เยอะๆตามลําดับไปเหมือนเข้าเกียร์นั่นแหละรถเนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สีเนี่ยเราก็เลยลึกรู้อยู่กายนีย้มันเยอะขึ้นมากขึ้นต่อไปสักหน่อยเดี๋ยวมันก็จะไปรู้จักเรื่องของอารมณ์มันรู้ลึกว่าง่วงนี่มันมาได้ยังไง ที่เกียดนี่มันมาได้ยังไงมันจะรู้มันจะดูออกแต่ใหม่ๆนี่พยายามจยให้ไฟคือความรู้สึกตัวนี้มันดับจุดให้มันติดเอาไว้ทีนี้การมันจะจุดติดคือการกลมรู้อยู่กับปัจจุบันเป็นนี่แหละจนกระทั่งมันมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นมหาสติจริงๆคือเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาใหม่ๆในรู้บ้างลืมบ้างรู้บ้างลืมบ้าง เวลาลืมก็เข้าไปในความคิดเข้าไปในความง่วงความเหงาคนเรา ม, มันมีปัญหาสองอันนี่แหละพอใจกับไม่พอใจที่นี่ความพอใจกับไม่พอใจเนี่ยเกิดจะความหลงเมื่อเราหลงเราก็เข้าไปในอารมณ์อารมณ์ก็ไม่ชอบก็ชังไม่ชอบก็ชังไม่รักก็ปฏิเสธมีสองอันก็คือมีความถ้ามันหลงเข้าไปเรื่มันจะเป็นความโลภ ถ้าไม่โลภ ก, ก็เป็นความโกรธความโลภถ้ามันโตขึ้นเนี่ยมันเป็นโลภในความในวัตถุในสิ่งของความโลภเนี่ยวัตถุสิ่งของอัตตาตัวตนมาเข้าลึกๆ ล, ล, ลงไปเนี่ยก็คือเรื่องของราคะเรื่องของกามเรื่องของความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงเรื่องเพศเรื่องอะไรพวกนี้ นี่ความโลภแต่ถ้าความโกรธความโกรธก็จะเป็นปฏิฆะเป็นพยาบาทเป็นหงุดหงิดเป็นไม่พอใจแต่ถ้าเป็นความหลงถ้ากลายเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความม่วงเหงานอนเป็นความสลืมสลือเป็นวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือเหมือนลวงเลสงสัยเนี่ยสงสัยทำทำไมทำแล้วได้อะไรเนี่ยเป็นความหลงเข้าไปอยู่ในความหลง นั่นการที่เรากำจัดนิวรห้ากรรมฉันทะพยาบาทีนิมิตะบุริจักุกุจะวิจิกิชาพวกนี้ไม่ใช่ของเล่นนะหมายถึงกเรากำลังทำงานปฏิบัติการล้างใจของตัวเราเองคือกำจัดความหลงความโลภความโกรธเรากำลังทำงานนั้นนะ คือไม่หเข้าไปอยู่ในอารมณ์ไม่เข้าไปอยู่ในความคิดเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นความโกรธความโลภความหลงความพอใจไม่พอใจปรากฏเกิดขึ้นนั้นคืออยู่กับจิตที่มันว่า ง, างๆเฉยๆระลึกรู้เฉย ๆ, ๆเส้นทางสู่ความประเสริฐที่เรียกว่ามัคคิริยสัตว์เนี่ยคือความรู้สึกเฉยๆบางคนจะถามว่าแล้วมันจะทําการทํางานอะไรได้ไหมเน่าทำไมมันจะทําไม่ได้ ทำได้มากกว่าคนที่มีความคิดได้ซ้ำไปทํางานด้วยความไม่โลภไม่กดไม่หลงไงอย่างพระสงฆ์ข้าเจ้าเขาทำตั้งทีสองทีสามโยมจะทําได้มากขนาดไหนที่มีความคิดเนี่ยพระสงฆ์นี่ทําแบบไม่หลับไม่นอนกลางวันเลยก็ได้เอา้าตื่นขึ้นแล้วทีสองทีสามตื่นขึ้นปุ๊บทำงานโจนทาไปถึงสามทุ่มสี่ทุ่มโยมเนี่ยทําได้แค่ไหนทําไม่ได้มากนะ ยังมากก็ง่วงก็เบื่อก็เพรียอะารนะแล้วไม่มีบริษัทไหนที่ทำงานได้มากเท่ากับพุทธบริษัททำแบบไม่เอาค่าจ้างรางวัลได้ด้วยทำทั้งปีทั้งชาตินะในการช่วยคนขนคนออกเจากทุกเนี่ยทำจนตายไม่ได้หวังเงินทองข้าวของลาบยศะะเสร็เสริญแต่ทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทำเพื่อธรรมนั ทำเพรเห็นว่ามันมีประโยชน์มันดีก็ทำไปเนี่ยดังนั้นเราไม่ต้องห่วงหรอกนะว่าเราจะไม่รู้เรื่องว่าเราจะทํางานไม่เป็นดทำโนู่นทานี้เป็นเนะี่ยเรากำลังทํางานไงตอนนี้ยทํางานดับความโกรธความโลภความหลงที่เป็นอุปสรรคสนับชีวิตเราเนี่ยตั้งใจทํานะทําสติให้ต่อเนื่องเหมือนว่าเรากําลังเติมลมรถเนี่ย เติมเข้าไปทีื่อยเลยเดี๋ยวมันก็วิ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นจิตมันจมโปร่งโลง่งโลง่งถ้ามันยกมือสร้างจังหวะอยู่กําหนดรู้อยู่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่เข้ารู้บ้างลืมบ้างเนี่ยรถเนี่ยมันจะชนความง่งวงความเหงาความเบื่อความไหนความขี้เกียจขี้คันสลึมสลือในที่สุดมันก็คว่ำนะเพราะว่ายางมันแวบบ ต้องฝึกฝืนดูนะแต่ที่ไปหาสว่างเนี่ยมันจะออกจากความง่วงได้ไหมออกจากความเบื่อความขี้เกียจเป็นไหมนั่งสร้างจังหวะให้ดีๆนะตั้งใจทําความรู้สึกตัวให้เยอะๆแต่ละคนนี่คงไม่สอนอะไรมากมายคงทําเป็นกันอยู่แล้วล่ะเอเดียว่ายกมือขึ้นนี่ให้มันรู้วางลงให้มันรู้ไอความรู้ตัวนะั่นแหะ เขเรยว่าสติแต่เพียงแต่ว่าสติอันนี้มันจะได้หรอกของความเป็นอริยะในสักสองสามเปอร์เซ็นเนี่ยที่เราจะทําให้มันเต็มร้อยก็คือทําให้มันต่อเนื่องนั่นแหละทําไงมันจะต่อเนื่องให้ก็ต้องมีการกําหนดรู้มากๆนะความกําหนดรู้ความตระหนักรู้หรือความรู้ตัว เ, เขาเรียกว่าสตินะ ยกมือไปถ้าไม่รู้สึกตัวก็ไม่มีสติมันไม่ได้ทำงานข้างในในการล้างใจตัวเองเลยนะเหมือนเราเอาสกอดใบถูถ้วยถูจานเนี่ยถ้าเรามีแต่น้ำแต่ไม่มีสกอดใบไม่มีน้ายาถูนี่มันก็ไมนะ่ออกเหมือนกันฮะเรารู้ชีวิตแบบลุกลวกแต่ว่าไม่ได้ลงในรายละเอียดของการ ก, กำหนดรู้กายวินาจิตธรรมเนี่ยปัญญามันไม่เกิดให้ นั้นคนใช้ชีวิตมาจนถึงป่านนี้ก็ไ ม, ม่รู้สึกว่าความโลภ ก, กดหลงมันลดลงเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้กําหนดรู้เราไม่ได้รู้สึกตัวชีวิตเราไม่ได้อยู่ปัจจุบันขณะมันอยู่กับอดีตอนาคตโน่นคนละเรื่องกันละ่ะนั้นช่วงเช้านี้ลองตั้งใจดาดูนะ